ตอนที่เจสห้าถูกปลดจากตําแหน่งทหารเจิ้งอวิ๋งชงแค่นหัวเราออกมาเบาๆลงมือเหรอตกลงว่าสมองแกมีปัญหาหรือสมองฉันมีปัญหากันแน่ให้ฉันลงมือกับแกต่อหน้าคนตั้งมากมายขนาดนี้พอหันหลังกลับไปแกก็คงจะแหวกจัดฉันอีกสิว่าฉันเป็นฝ่ายผิดเจิ้งอวิ๋งชงไม่มีทางยอมให้พวกเขามีโอกาสคอจุดอ่อนไปได้ง่ายๆแบบนั้นไม่รอกคนอยู่ตรงนี้ตั้งเยอะๆทุกคนเป็นพยานให้คุณได้ผมเป็นคนขอให้คุณตบเองไม่ใช่ความผิดของคุณโจเจียนเย่ยกล่าวด้วยน้ําเสียงร้อนรน แกชั้นิังกลัวมือจะสกระปรกเลยเจิ้งอวิ๋นฉงผลักโจวเจี้ยนเย่ยออกไปใส่หัวไปไกลๆอย่ามาขวางทางเมียฉันตรงนี้ลี่ชิงผิงเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะชายตามองโจเจี้ยนเยี่ยแม้แต่น้อยการที่เขาตกต่ํามาถึงจุดนี้ได้เห็นชัดว่าเป็นเพราะทาตัวเองทั้งนั้นหลี่วันเดินตามพวกเขาไปติดๆโจวเจี้ยนเยี่ยคิดในใจว่าจบสิ้นแล้วคราวนี้จบสิ้นจริงๆแล้วผัวเมียคู่นี้มันพวกจอมแสดงชัดๆแยกันไปแล้วยิ่งจะมาตามตะแย่เขาทำไมอีก นั่นสีเลิกกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไงอีกอย่างก็อยู่ในเขตทหารเหมือนกันวันหน้ายัางต้องเจอหน้ากันอีกอุตสาห์เป็นถึงผู้พันทําไมถึงได้จนกรอกขนาดนี้ละ่ะนี่เธอไม่รู้อะไรเมื่อก่อนผู้พันโจใช้ชีวิตยังไงแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงเห็นได้ชัดเลยว่าพอเมียเปลี่ยนไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนตามใช่เลยดูเสื้อโคทวูลที่หลิวเคอเคอร์ใส่อยู่สิวันก่อนฉันเห็นที่ห้างสรรพสินค้าตัวละตั้งร้อยกว่าหยวนเชียวนะหาแพงขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ใช่นะสิไม่แน่ว่าที่มาโวยวายอยู่นี่อาจจะแค่แกล้งจนก็ได้หลิวเคอเคอร์อได้ยินเสียงวิพาก์วิจารของคนรอบข้างแต่นางไม่มีเรี่ยวแรงเหลือพอจะไปด่าให้พวกเขาหูปากได้อีกแล้วเจียนเย่พวกเรากลับกันก่อนเถอะมีอะไรค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านเยี่นจะกลับไปได้อีกเหรอมุมปากของโจเจียนเย่บิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มขมขื่นลิวเคอเคอเพิ่งจะเริ่มเข้าใจความหมายที่เขาพูด เจ้งางวินฉงทงทหารยามไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วพวกเขาไม่แม้แต่จะได้กลับบ้านแต่ต้องไปจัดการเรื่องที่สถานีตำรวจโดยตรงเหตุการณ์ในวันนี้มีพยานรู้เห็นมากมายต่อให้โจเจียนเย่ยกับหลิวเคอเคอร์อจะปฏิเสธอย่างไรก็ไร้ผลพวกเขาสามารถทําได้เพียงสารภาพความจริงตามตรงและตามกฎหมายแล้วการกระทําของหลิวเคอเคอร์ถือเป็นความผิดฐานเจตนาทําร้ายร่างกายต้องถูกควบคุมตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อหลิวเคอเคอได้ยินผลการตัดสินนางถึงเพิ่งจะรู้จักความหวาดกลัวนางนึกว่าแค่โดนขังไม่กี่วันก็จบแต่กลับต้องถูกขังถึงหนึ่งเดือนนางคว้าแขนโจจี้นี้ด้วยความหวาดกลัวพลางสายหน้าไม่เอาคุณรีหาทางช่วยหน่อยสิฉันไม่อยากถูกขังอยู่ที่นี่ตั้งเดือนหนึ่งแล้วงานของฉันจะทํำยังไงการแข่งขันในสำนักพิมพ์นั้นสูงมากอยู่แล้วนักข่าวเป็นอาชีพที่ไม่เคยขาดแคลนคนการที่นางถูกควบคุมตัวหนึ่งเดือนเท่ากับเป็นการสร้างรอยด่างพร้อยหัวหน้าบรรณาธิการสำนักพิมพ์คงอยากจะไล่นางออกใจจะขาด ลิวเคอเคอน้ำตาคลอเบา้าแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้การเสียน้ำตามันไม่มีประโยชน์โจเจียนเย่เองก็คิดหาทางมานานแล้วเขายกมือขึ้นตบหลังมือนางเบาๆเป็นเชิงปลอบใจแต่เขาก็ไร้หนทางก็แค่ถูกขังอยู่ที่นี่เดือนเดียวผมว่าคุณอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยก็ไม่หนาวไม่หิวอีกเดือนหนึ่งผมจะมารับคุณทําตัวว่าง่ายๆเถอะลิวเคอเคอร์ชะงักไปครู่หนึ่งนางไม่คาดคิดเลยว่าโจเจียนเย่จะพูดแบบนี้โจเจียนเย่ตกลงคุณเห็นฉันเป็นเมียคุณบ้างไหม คุณไม่รู้จักสงสารพวกเราไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะถูกขังมีที่ไหนเขาปลอบใจกันแบบนี้บ้างทำไมคุณไม่รู้จักหาทางพาฉันออกไปฉันไม่อยากถูกขังอยู่ที่นี่คุณบอกมาสิว่าผมจะมีปัญญาทำอะไรได้โจวเจี้ยนเย่ย้อนถามหลิวเคอเคอหลิวเคอเคออ้าปากค้างแต่นางก็นึกวิธีดีๆไม่ออกนางไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรโจวเจี้ยนเยี่หัวเราะยะ้อนตัวเองเคอเคอตอนนี้เราทั้งคู่ต่างก็ต้องสงบสติอารมณ์กันหน่อยอย่าหาเรื่องวุ่นวายอีกเลยผมกลับก่อนนะ เจียนเ ย, ย่คุณไปไม่ได้นะคุณจะทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้ฉันกลัวหลิวเคอเครอรยังพูดไม่ทันจบโจบเจียนเย่ยก็เดินจากไปแล้วตอนนี้โจเจียนเย่ยเองก็เอาตัวแทบไม่รอดจิงจะมีปัญญาไปดูแลหลิวเคอเคอได้อีกหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตทหารวันนี้ต้องล่วงรู้ไปถึงหูของผู้บังคับบัญชาแน่นอนเขาต้องหาทางอธิบายกับผู้บังคับบัญชาให้ได้วันต่อมาผู้พันซูเรียกเขาไปที่ห้องทํางานด้วยใบหน้ามืดครึ้ม ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับแกเท่าไหร่เป็นเมียแกที่ก่อเรื่องแต่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวแกกลับจัดการเมียตัวเองไม่ได้ตำแหน่งผู้พันที่แกเป็นอยู่นี่มันไร้ประโยชน์เกินไปหน่อยไหมรู้ไหมว่าตอนนี้คนทั้งเขตทหารเขามีความเห็นแย่ๆกับแกกันหมดแล้วโจวเจี้ยนเย่ไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้เขาทำได้ไม่ดีจริงๆเขายอมรับโจวเจี้ยนเย่กำลังจะอ้าปากพูดแต่ผู้พันซูก็พูดต่อคำสั่งลงโทษจากเบื้องบนลงมาแล้วตำแหน่งผู้พันนี่ไม่ต้องเป็นมาแล้วล่ะ ตอนนี้สิ่งที่แกต้องการที่สุดคือการไปสำนึกผิดให้ดีรอจนกว่าแกจะสำนึกได้เมื่อไหร่ค่อยมาเขียนหนังสือทันบนให้ฉันผู้พันครับกว่าผมจะไต่เต้ามาถึงตำแหน่งผู้พันนี้ได้ผมพยายามากแค่ไหนท่านก็ทราบดีจะมาปฏิเสธความสามารถเดิมของผมเพียงเพราะความผิดพลาดแค่นี้ไม่ได้นะครับเมื่อโจเจียนเย่ได้ยินบทลงโทษเขาก็ร้อนใจขึ้นมาทันทีการไม่ได้เป็นผู้พันหมายความว่าเงินเดือนต้องลดลงเงินในมือเขาตอนนี้ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนี่มันเท่ากับเป็นการซ้ำเติมกันชัดๆ เขตทหารไม่ได้แกออกโดยตรงก็บุญเท่าไหร่แล้วฉันย่อมรู้ถึงความสามารถของแกไม่อย่างนั้นฉันจะไม่อยากสนับสนุนแกให้ดีหรอกเหรอโจเจี้ยนเย่แกลงถามใจตัวเองดูสิว่าหลายปีมานี้ฉันปฏิบัติต่อแกยังไงแกเป็นคนทําลายตัวเองจนเป็นแบบนี้แล้วฉันจะมีปัญญาช่วยอะไรได้ผู้พันซูกล่าวด้วยความหมงุดหงิดแกไปถามดูเถอะว่าคนทั้งเขตทหารมีใครบ้างไม่รู้ว่าแกทิ้งลูกทิ้งเมียขนาดเรื่องในบ้านยังจัดการไม่ได้การจะเกิดเป็นคนเราต้องมีมโนธรรมบ้างโจเจี้ยนเย่ย เขายืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่อ้าปากผ ง, งาบๆอยู่หลายครั้งแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเลยดวงตาของเขาพร่ามัวจนมืดมิดไปชั่วขณะเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อพยุงร่างกายให้มั่นคงครับผมทราบแล้วคราวที่แล้วฉันก็เตือนแกไปแล้วแต่แกกลับไม่เห็นคําพูดของฉันอยู่ในสายตาเลยกลับไปสํานึกผิดให้ดีเถอะผู้พันซูโบกมือและอย่างรําคาญใจพรางเล่เขาออกไปไอ้คนไม่ได้ความเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีคนจ้องตําแหน่งของเขาอยู่มากแค่ไหน เมื่อตำแหน่งผู้พันว่างลงย่อมต้องมีคนถูกเลื่อนขนขึ้นมาแทนคนอื่นต่างก็เห็นคุณค่าและหงแหน่ตำแหน่งนี้แต่เขากลับหาเรื่องใส่ตัวไม่หยุดหย่อนเมื่อโจอเจี้นเย่กลับถึงบ้านเขาก็คิดเพียงแต่อยากจะนอนหลับให้เต็มอิ่มสักตื่นเรื่องวุ่นวายพวกนี้เอาไว้ตื่นมาค่อยว่ากันเมื่อคืนเขาก็นอนไม่ค่อยหลับสาเหตุหลักคือมันหนาวจนนอนไม่ลงผลปรากฏว่าเพิ่งจะล้มตัวลงนอนได้ไม่นานประตูบ้านก็ถูกทุบเสียงดังสนัน่น โจเจียนเย่ยขมวดคิ้วมุ่นไม่รู้ว่าเป็นใครเขายังไม่ทันจะได้ระเบิดอารมโมโหออกมาไม่หยางก็พาคนพุ่งพลวดเข้ามาข้าในทันทีไอ้คนสารเลวแกยังมีกะจิกกระจายมานอนอืดอยู่ในบ้านอีกหรือลูกสาวฉันถูกจะไปขังที่สถานีตำรวจได้ยังไงเสียแรงที่เป็นถึงผู้พันฉันว่าแกมันไม่ได้เรื่องเลยสักนิดยังไม่รีบหาทางไปพาลูกสาวฉันออกมาจากข้าในอีกแม่หยางแผ่เสียงดาพลางชี้นิ้วใส่หน้าโจเจียนเย่ยหน้าอกของนางกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงด้วยความโกรธไอ้คนเหง่อซวย ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้พันแล้วพ่อโจจีจ้นเี้ผู้จบคนที่มาด้วยกันต่างก็พากันอึ้งไปตามๆามกันสมองของเขาคงจะถูกทำให้กลัวจนเที้ยนไปแล้วกระมัง